วันนี้ตรงกลับวันที่ยี่สิหมิถุนาห้าหนึ่งเป็นวันพระแรมแปดค่าเดือนเจ็ดเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวัดหนึ่งทุกวันพระเป็นวันประชุมกันในวัดของเราแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่จวนจะเข้าพรรษาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นวันเข้าพรรษาพวกเรา เพราะนั้นพวกเราทั้งพระทั้งครวัตญายมทุกท่านควรจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนเหมือนกันเพราะว่าการที่จะทําสิ่งใดก็ตามถ้าจะให้สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีต้องมีการวางแผนต้องมีความตั้งใจจริงไม่ใช่ว่าผ่านไปเดินไปผ่านไปแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาเฉพาะเป็นครั้งคราวไปแต่นี้ช่วงนี้ ปีนี้ถือว่าเป็นปีสาคัญของพวกเราถือว่าเป็นปีชีวิตสาคัญของพวกเราพวกเราควรจะใส่ใจควรจะตั้งใจจริงว่าในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราจะทำยังไงในชีวิตของพวกเราไม่มีใครที่จะรับรองชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกทุกท่านเพราะนั้นให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติธรรม ต้องคิดไว้ในใจอย่างลึกๆวางแผนในใจของเราอย่างลึกๆคือมีความตั้งใจจริงสรุปแล้วความตั้งใจและความไม่ตั้งใจมัน แ, แตกต่างกันมากผลมันออกมาถ้าว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆเลยตามเลยมันผ่านไปก็ทําไปอันนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจจริงมันมันอีกอย่างหนึ่งอย่างตัวอย่างที่เราเดิน ลงมาจากหลังวัดอย่างนี้ยอย่างพวกเราผู้ที่อยู่ทางหลังวัดเท่าเราเดินมาตามลำพังเลื่อยเปื่อยเดินมาเรื่อยๆมันก็มี ม, มีอะไรเป็นเครื่องสดุดใจแต่ถ้าเราตั้งใจเดินตั้งแต่ก้าวแรกเราจะบริกรรมพุทธโธพุทโธลงมาอันนี้ก็บางทีอาจจะมีเผลอมีพลังมีเผลอไปบ้างตอนนี้ ผมเองอยากจะให้มีความตั้งใจมากกว่านั้นอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทดลองหน่อยซิว่าการก้าวเดินออกมาจากกุฏิของเราก้าวแรกมาถึงศาลาจุดเนี้บางท่านก็อ ย, อยู่ทางหลังวัดห่างไกลเป็นกิโลแล้วก็เดินมาเราควรจะนับดูซิว่านับก้าวตัวเองก้าวหนึ่งสองสามสี่ห้านับไปเรื่อยๆจนมาถึงศาลาเนี่ กี่พันเก้าผมว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายมีความพยายามมีความตั้งใจพยายามนับก้าของตนเองโดยที่ไม่หลงไม่ลืมมีสติในการนับอยู่ตลอดจิตใจไม่สวัสดไปทางอื่นมีสติหยกในการก้าเดินผมว่าอันนี้คือเป็นการตั้งสติในระดับหนึ่งทีนี้เมื่อเราจะไปภาวนาขาขวาพุทธขาซ้ายโถ ขาขวาพุทธขาซ้ายถูกเดินจงกลมหรือว่าก้าวเดินตามปกติผมว่าสติของเราจะอยู่ในจุดนั้นง่ายมากถึงจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็มีสติในการก้าวเดินจะไม่โรคเรศจะไม่หวั่นไหวควายแขว่งเพราะเราฝึกในการเดินของเรามาแล้วให้พวกท่านทั้งหลายพวกหมู่เพื่อนทั้งหลายทุกองให้ทําดูอย่างที่ผมพูด ให้พวกท่านทั้งหลายทำดูทำแล้วผมว่าจะเกิดประโยชน์ในการตั้งสติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าแต่ละวันแต่ละเวลาเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจจริงถึงจะเดินไปยังไงเท่าไหร่มีแต่ห ง, งุดหงิดเพราะมันเดินไม่ถึงง่ายแต่ถ้าเราเดินแบบที่ผมว่าเนี่ยตั้งสติมริกรรมนับหนึ่งสองสาม ขากลับคนนับไปมันจะถูกต้องไหมถ้าขากลับมาเรานับคณะได้ขนาดนี้ถ้าเราขาไปเอเรานับได้ขนาดไหนละวันลุ่งขึ้นเรานับอีกชัมันจะผิดกันมากเท่าไหร่และขากลับไปเรานับอีกที่ว่ามันจะคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ผมว่าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมีความใส่ใจอย่างที่ผมว่านี่นะการจะภาวนาจะบริกรรมสิ่งไหนก็ตามผมว่า พวกเราสติของพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นตามลําดับลําดับอันนี้คือวิธีการฝึกสติถ้าเรานับผิดพลาดผิดผิดถูกๆผิดผิดถูกๆนับไม่ได้แสดงว่าสติของเราเนี่ยไม่ต้องถามใครอื่นเลยสติของเราเนี่ยจ้ำแย่มากถ้ามากเกินกว่านั้นขึ้นไปแล้วอาจจะเลื่อนลอยอาจจะเป็นบ้าได้ขนาดนับขาตัวเองยังนับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายดู ดูสติของเราว่าสติของเราเนี่ยแน่วแน่เข้มแข็งขนาดไหนนี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะในเพื่อฝึกสติแล้วถึงสติของเราอยู่กับตัวแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ได้ในการเดินในการเดินตามลำพังเราให้เห็นร่างกระดูกของเราเดินแปลว่าไม่ให้มีเนื้อมีหนังหุ้มห่อหุ้มให้เป็นโครงกระดูกเดิน เหมือนเราเห็นโครงกระดูกที่ไหนเราก็เอามาใส่ตัวของเรากำหนดที่ขาของเราก้าวเดินขาก้านับไปเลยมีแต่กระดูกเดินก้าวขาขวาขาซ้ายขาขวาขาซ้ายพุทโธพุทโธพุทธโธให้มีแต่กระดูกในถ้าว่าพวกเราท่านทั้ทงหลายกำหนดอย่างนี้เที่ยวเป็นวิปัสสนาเห็นร่างกายของเราเป็นอสุภะจีงไหมที่เราเก้าวเดิน มันเป็นของจริงใช่ไหมเป็นโครงกระดูกใช่ไหมที่ก้าวเดินก็ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่าในการก้าวเดินนั้นไม่ใช่โครงกระดูกเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านเวลาก้าวเดินเราต้องใช้การกําหนดร่างของตัวเองให้เป็นโครงกระดูกเดินนี่แหละอันนี้คือเมื่อเราไปนิสสถานที่ใดอยู่นิสสสถานที่ใดถึงจะก้าวเดินถึงจะนั่งถึงจะนอน ถึงจะอยู่ในเรียบทใา ย, ยืนเดินนั่งนอนก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เพราะร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ทีนี้ใจของเราคือนามมาธรรมตัวตัวผู้รู้ตัวนามมาธรรมนั่นแนะจะเข้าใจจะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราทุกส่วนมันเป็นอยู่อย่างนี้อีกสักวันหนึ่งข้างหน้า จะต้องถึงจุดจบของมันคือถึงความตายไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้นี่แหละสรุปแล้วมันเป็นมาตั้งแต่การก้าวเดินทีแรกว่าให้นับหนึ่งสาสี่ห้าหรือไม่หรือว่าการก้าวเดินบริกรรมขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทธโทพุทธโธพุทธโธจากนั้นเมื่อเราสติดีแล้วกาหนดการเดินด้วยโครงกระดูก เอาโครงกระดูกเดินจริงไหมโครงกระดูกเดินใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธได้ขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุโทโถพุทถูกโครงกระดูกเดินจากนั้นเอาโครงกระดูกนั่งโครงกระดูกนอนโครงกระดูกฉันอาหารโครงกระดูกเที่ยวไปณนะสถานที่ต่างๆโครงกระดูกกาลังแสดงธทำการพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ใช้โครงกระดูกนี่แหละ ในเมื่อใจของเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ใจคือตัวผู้รู้ใจคือนามธรรมใจคือตัวนึกคิดนั่นนหะจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นท้าสักว่าเห็นรู้จะสักว่ารู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกสักวัดหนึ่งใจของเราเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่จะไม่รู้จะยึด มั่นถือมั่นไปทําไมเรื่องทั้งหลายไม่รู้จะโกรธไปทําไมไม่รู้จะโลภไปทําไมไม่รู้จะหลงไปทําไมเพราะร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้เป็นโครงกระดูกอย่างนี้นี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้พิจารณาอันดับแรกคือมีสติมีสติออกจะเห็นมีสติแล้วเห็นกายก่อนพอเห็นกายรู้เห็นกายใครเป็นคนเห็นกาย เห็นร่างกายใครเป็นคนรู้วกโครงกระดูกใครเป็นคนเห็นโครงกระดูกก็มาสู่ใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดถ้าพูดธรรมะหรือว่าศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่พูดถึงใจแล้วก็ไม่มีที่จบถ้าพูดถึงใจแล้วก็นั่นแหละจุดจบหรือว่าที่สุดของเรื่องธรรมะทั้งหลายทั้งปวงคือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ เพราะนั้นก่อนที่จะปล่อยที่จะวางได้ไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่อื่นไกลใครอื่นที่จะปล่อยวางใจเท่านั้นละ่ะที่จะปล่อยวางที่จะยึดที่จะเกาะที่จะมีอารมณ์โมโหโทโสโกรธาอะไรออกไปจากใจทั้งนั้นเพราะนั้นให้น้อมรวบพิจารณาให้ย้อนมหาตัวผู้รู้คือใจนะใจไปลุบลุ่มห ล, ล, ลงทําไมใจไปมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นทําไมใจไปรักไปไพร่ทําไมใจ ทำไมจึงไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงร่างกายถึงสังขารถึงรูปถึงนามของตอนเองถ้าเรามีสติสมบูรณ์มีสติเต็มที่แล้วเราจะไม่ไปทางอื่นมันอยู่จุดนี้เพราะอยู่จุดนี้แล้วนี่นี่แหละกิเลสออกมาจากใจของเรานนะำมีอะไรบ้างมีกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงออกไปจากใจทั้งนั้น เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่ทานนะปฏิบัติธรรมไม่ไปทางอื่นให้มาถึงจุดนี้จุดที่นำ ม, มัธรมตัวผู้รู้อยู่เดียวเนี้ยรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหะเป็นพระอริยะสาวกสาว ก, ส, าว ก, กสังโฆไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไหนนะอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวผู้รู้อยู่ที่ตัวปล่อยวางนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่ททานนะวันนี้ธรรมาเองจะไม่พูดอะไรมาก ให้ทัอ้ง อ, อกตั้งใจประพุตปฏิบัติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิที่นี่นะ